ท่านสาวุชนิดบริษัททั้งหลายวันนี้ก็ขอมาต่อเรื่องสมาบัติแปดแต่ยังไม่ถึงสมาบัติแปดเป็นในเพียงว่าสมาบัติหนึ่งก็ยังใช้ไม่ได้วิธีการตอนต้นรู้สึกว่าจะพูดมาจักระทั่งจบหน้าคัเตเสรแล่ท่าน้หลายก็คงยังไม่ได้อะไร จะได้ไปบ้างแค่แค่แ ค, แค่แค่การกกนใจเร่งกันในขั้นคณิกาสมาธิเท่านั้นตอนนี้สมมุติว่าบรรดาท่านทั้งหลาย <c oughs> สามารถจะจําภาพกระสินได้ดีขึ้นตอนนี้เมื่อลาวืมตาดูภาพกระสินแล้วหลับตานึกถึงภาพกระสินภาพกระสินปลายกดกับใจสักครู่หนึ่งสองสามนาที แล้วภาพกระสินก็หายไปก็ลืมตาดูใหม่วิธีดูเนี่ยเขาดูแบบนี้นะจำใจเพราะก่อนดินข้างหน้าอันนี้ท่านจะทํากระสินอะไก็ช่างจะพูดเฉพาะ ด, ดินอย่างเดียวเพราะว่าสภาพมันเหมือนกันหมดถ้าอยากจะรู้วิธี ช, ชัดๆว่ากระสินแบบไหนจะดูกันแบบไหนก็ไปดูไปฟังกันตอนกระสินสิ นี่เราจะเดินก็ไปหาสมาบัตแปด 8, แบบทางตรงๆเอาทางตรงกันเลยก็สิงกองเดียวได้สมาบัตแปด 8. แล้วก็เลยสมาบัตแปด 8, ไปเจริญมิปัสนายานเป็นอรหันต์เป็นอานมามๆเป็นสมิธายาน <c oughs> แล้วเป็นได้ง่ายด้วยไม่ยากง่ายกว่าฝึกวิชาสามไม่ง่ายกว่าฝึกปัญญาหก เพราะว่าประเภทนั้นต้องเล่นกันหลายท่าแต่าการก้าวไปหาสมาบัติแปดเป็นของเดินแบบส บ, สบายๆมันยากตอนตอน้นมาตอนนี้ขอพูดเรื่องอุปจารสมาธิสมมติว่าบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านที่มีความสนใจอารมณ์ของท่านสามารถทรงอยู่ในอิธิบาสีครบถ้วน อย่าลืมนะถ้ากําลังใจบกพร่องในที่บาศีแล้วจะไปหวังมันเลยไม่มีทางจะได้อะไรก็ไม่ได้ทั้งหมดนี่ไม่ใช่ประนามท่านหรือข้อเท็จจริงเป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าก็ทรงรับรองอย่างนั้นแม้ผลในการที่เขาปฏิบัติกันมาก็เป็นอย่างนั้นไม่กันเนี่ยธรรมาไม่ได้บอกว่าธรรมมาปฏิบัติมาอย่างนั้นนะ พูดแตงว่าท่านที่ปฏิบัติมาแล้วอย่างนั้นที่เป็นเพื่อนกันบ้างเป็นพวกกันบ้างเป็นรุ่นพี่บ้างหลุนน้องบ้างท่านที่เป็นครูบาอาจารย์บ้างท่านที่มีฐานะเสมอเดือยครูบาอาจารย์บ้างที่ท่านปฏิบัติกันมานี่พูดนิจญาของท่านท่านมีทุกๆุกท่านได้ไปคุยกับท่านแล้วท่านมีที่บาดซีโค้กท้วงคือกําลังใจเข้มแข็งเอาชีวิตเป็นเครื่องแรกทางนั้น แล้วอเอาชีวิตเป็นเครื่องแรกกับความดีเนี่ยขอม anda ท่นพุทธบริษัทจงอย่าทิง้งกําลังใจขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าวันที่จะบรรลุอภิสิทธิสัมมาสัมพุธิญาณวันนั้นท่านคิดยังไงท่านตัดสินยังไงต้องตัดสินใจแบบนั้นคิดว่ามันจะตายก็เชิญตายแต่ความดีที่ระหวังได้มันไม่ปรากฏ เราก็จะยอมตายแบบตามแบบองค์ขององค์สมเด็จพระบรมสุคตเอาอย่างนี้ที่มันถึงเยี่ยได้ <c oughs> ไม่ใจิตใจของเราก็ต้องนั่งจดนั่งจอนั่งจําเอามาเรื่องเดียวใครจะมาพูดเหนือพูดใต้ไม่เอาท่านั้นใครจะมาชวนว่าอย่างนั้นดีอย่างนี้ดีไม่ต้องรับฟังทั้งหมดเราเอาตรงนี้ตรงเดียวให้มันได้ไอ้นั่นดีมันดีของเขาขึ้นจว่าดีน่ะดีจริงแต่เรายังไม่ต้องการ เราต้องการอย่างเดียวเฉพาะกับสินดิงกองนี้กองเดียวหรือก็สินอะไรก็ตามที่ท่านชอบใจเอาตรงนี้ตรงเดียวยันอรหัตผล p นีวันนี้เดินทางกันสายเดียวไม่ต้องไปกันมาก <c oughs> ตอนนี้มาว่ากันถึงอารมณ์อุปจารสมาธิพอจิตเริ่มมีกําลังดีขึ้น นี่หมายความว่าจิตเริ่มทรงตัวลืมตาดูภาพดินภาพดินเริ่มจับใจอารมณ์จิตเริ่มสบายขึ้นการพิจารณาภาพดินว่ามีสีเป็นยังไงลักษณะเป็นยังไงภาพอื่นข้างๆไม่อาจิตเข้าไปแตะต้องแล้วก็หลับตานึกถึงภาพดินนั่นภาพดินนั้นจับใจลอยอยู่เสมอคือ น, นึกเห็นอยู่ตลอดเวลานานา น, นานสักหน่อย แค่นานไปหน่อยหนึ่งแต่ว่าไม่นานนักเาภาพก็หายไปอารมณ์ใจที่นึกถึงภาพดินรู้สึกว่าจะชัดเจนขึ้นมานี่เมื่อภาพดินเลือนไปเราก็ลืมตามาดูใหม่ลืมตามาดูใหม่จำได้ดีแล้วก็หลับตานะึกถึงภาพดินใหม่นี่ขอเตือนไว้สักนิดหนึ่งเมื่อเกินจเจริญสมาธิจิต จงอย่าสนใจกับกายมีไอ้เรื่องนี้เนี่ยพูดกันมาหลายพันครั้งเป็นพันเราะปีหนึ่งมันสาม้ยหิห้าวันแต่วันหนึ่งมีคนมาถามหลายเที่ยวไอ้เรื่องเัาเรื่องทางกายเนี่ยเรื่องที่เกิดขึ้นทางกายในยชอบมาถามกันหลายเที่ยวมึงถามกูถามคนนั้นถามคนนี้ถามนี่ถามแล้วถามอีก ก็ชักเหนื่อยเหนื่อยใจเหมือนกันถามว่าชักเหนื่อยใจท้อรลยก็ต้องตอบกันตรงๆว่าท้อถามว่าทําไมจึงท้อก็เพราะท้อที่ไม่จําถ้าเราบอกกันบ่อยๆไม่จําแล้วก็มันไม่เป็นเรื่องหอกนักปฏิบัติกรรมฐานจริงๆนี่เขาพูดกันครั้งเดียวเขาไม่พูดกันสองครั้ง มันได้อะไรไปอย่างจำจำแล้วก็จําเลยก็ไม่ทนหน้าทนหลังที่พูดอย่างนี้ก็อขอได้โปรดอย่าเพิ่งอย่าคิดว่าอวดตัวก็ดูตัวอย่างในสมัยพระพุทธเจ้าท่านสอนใครท่านซ้ําที่ไหนสอนพระช่างทองแล้วสอนเสร็จพระช่างทองก็จําไปทําเลยก็ยังได้ฌานสี่ถ้าจงเป็นอาร่าตผล และในบุคคลตัวอย่างเช่น พ, พระหูปุตติกาเทรีท่านฟังครั้งเดียวแล้วต้องการทำคืนนั้นจนได้สมเด็จอรัตถผลนี่เขาไม่เว้นนั่งลืมกันอยู่ไอ้ยังลืมๆเนี่ยไม่มีทางจะได้ทําแล้วทําอีกทำอีกทําแล้วที่ก็ถามอยังไงและวนไปวนมาจนกระทั่งลาคาญเขได้ปรดทราบเล ย, ยนะว่านักเจริญกรรมฐ า, านถามไม่บ่อยนี่ไม่ชอบ บอกกันตรงๆว่พาพวกมีนิสัยไม่จําคนมีนิสัยไม่จําจะได้อะไรมันไม่ได้อทธิบาลซีไม่ได้ทรงอยู่เลยถ้าไม่มีที่บาทซีจะไปนั่งทำอะไรมันเสียเวลายอมขึ้นสวรรค์ยอมลงนรกไปตามธรรมดานดี่กว่านี่มาว่ากระทั่งจิตมันดีขึ้นจิตมีสภาพดีขึ้นจําภาพกระสินได้ดี มีการทรงตัวเวลาที่นึกถึงภาพกระสินก็รู้สึกว่านึกได้ชัดเจนดีตอนนี้เขาทาแบบนี้ให้ตั้งภาพกระสินไว้ในที่ใดที่หนึง่งซึ่งไกลจากที่พักที่จริงๆของเราแย่ไกลมากนักคือมันไม่ใช่ที่พักไม่นองไปนั่งเฝ้ากันอไม่ลืมตาดูภาพกระถิ่นกระสินแล้วก็หลับตานึกภาพแจ่มใส จ่มใสเท่าที่มันจะแจ่มนะไม่ใช่แจ่มแจ๋เพราเท่าที่มันจะเห็นได้สักครู่หนึ่งมันเรือหายไปแล้วก็ลืมตาดูลืมตาดูพอจําภาพกรสินได้เท่านี้ลุกจากที่นั่นไปเลยลุกจากที่ตรงนั้นไปแล้วก็ไปนอนที่ใดที่หนึ่งไปนั่งก็ได้นอนก็ได้ยิงก็ได้เดินก็ได้จะเป็นโยนกงก็ได้ ไปอยู่ในที่ไกลาจากภาพกระสินแล้วก็จิตจับนึกถึงภาพกระสินกสิงก่อนนั้นไว้เป็นปกติถ้าว่าภาพนั้นมันเลือนไปจริงๆนึกไปออกค่อยย่องขึ้นมาดูใหม่นี่อย่างนี้แสดงว่าจิตดีขึ้นแล้วนะจิตมันทรงตัวมากขึ้นกว่าเดิมแล้ว <c oughs> มันจนําได้นานกว่า เดยใช้วิธีว่าไปนั่งนึกนอนนึกยืนนึกเดินนึกนึ ก, นกถึงภาพกระสินนั้นให้มันติดใจไม่ใช่ภาพลอยนึกถึงภาพ ส, สมมติว่าดินงก็เลวกันนึกถึงภาพดินงก้อนนั้นไม่ใช่ก้อนดินมันลอยขึ้นมาถ้าทำได้อย่างนี้เป็นปกติก็ให้ซ้อมให้คล่องดูทีนะว่าเราจะห่างจากกองกระสินกองนั่นที่ตั้งไว้นานสักเท่าไหร่ จิตมันทรงตัวถ้าว่าอยู่ใกล้ๆมันจะขยันลืมตาต้องฝึกก็ต้องฝึกในการจากตัวกันออกไปใช่บ้างนี่ถ้ามาทำแบบนั้นได้ดีแล้วต่อไปอย่างนี้ยังไม่เรียกว่าอุปกานิมิตนะยังถือว่าเป็นคณิกะนิมิตอยู่ถ้ายัางนึกถึงภาพดินก้อนเดิมนะ้าภาพดินจะเป็นประทัศฐานคราวนี้ใหม่ ไม่ต้องมานั่งดูก้อนดินก้อนนั้นนึกขึ้นมาเมื่อไรก็เห็นภาพก้อนดินก้อนนั้นในใจอยู่เสมอจะนั่งอยู่ก็ดีจะยืนอยู่ก็ดีจะเดินอยู่ก็ดีจะนอนอยู่ก็ตามดีไม่ดีกําลังทํางานว่างนิดนึกถึงภาพดินนั้นนึกเห็นชัดเนื้อว่ากําลังพูดคุยอยู่กับเพื่อนอยู่มีจังหวะนิดนึกถึงภาพดินนั้นนึกถึงชัด ไม่แก่เดี๋ยวเดียวก็ช่าง <c oughs> อย่างนี้เรียกว่าแก๊สินเริ่มทรงตัวแต่มันก็ทรงอยู่ได้ไม่นานนั ก, กจิตมันก็เริ่มดีขึ้นเป็นคณิกะสมาธิเบื้องโสูยังไม่ถึงอุปจารสมาธิต่อไปเมื่อขณะที่นึกถึงภาพดินนั่นขึ้นมาเมลัยโดยที่ไม่ต้อไปดูกองดิง ตอนนี้กองทิ้งกองดินแล้วจับดินโยนทิ้งไปชี้ก็ได้นึกถึงภาพดินนั้นคือมามะไราภาพดินปรากฏที่หลังเริ่มปรากฏใหม่แทนที่เห็นเป็นกองนั่นจะใช้เป็นดินกองใหญ่กว่า <c oughs> สีสดสวยกว่าแทนที่จะยยปรากฏที่นึกเห็นไม่ใช่อย่างนั้นเป็นภาพดินลอยขึ้นมาในจิตเป็นภาพสีดินเดิม สีดินแบบแบบเก่าเป็นรูปเก่าแต่มันลอยขึ้มนมาในใจเป็นภาพลิมิตแต่ว่ายังเป็นสีดินอยู่นี่เมื่อภาพดินปลายกฏแบบนั้นก็รู้สึกว่ามันก็ยังไม่ชัดไม่เจนไม่จำไม่ใสแล้วก็ดีกว่าเดิมมากแล้วก็อย่าทรงอยู่ได้นานนานพอสมควรจะเป็นไปนับแล้วนานเป็นชั่วโมงไม่ได้ อาจจะนานสักห้านาทีอาจจะนานนึกสิบนาทีถ้าภาพก็เลือนไปพอเลือนไปแล้วก็บังคับใจให้นึกถึงภาพนั้นภาพนั้นก็ปรากฏเป็นภาพลอยขึ้นมาไม่ใช่ภาพเดิมแล้วไม่ใช่ภาพก้อนดินแล้วพัฒนาสีสันบรรณะมันจะเริ่มเปลี่ยนไปบางทีมันก็จะเล็กบางทีมันก็จะใหญ่บางทีภาพมันก็สูงขึ้นบางทีภาพก็เล็กลง อย่างนี้ยังชื่อว่าเป็นอุกกหาตในมิดแม้เป็นคณิกาในมิดเขาโทษเป็นสมาธิเล็กน้อยอยู่แต่ น, นี้ก็มาดูถึงภาพดินต่อไปภาพดินก็เปลี่ยนแปลงเป็นภาพดินที่ขยายด้วยการบังคับใจว่านึกปั๊บขึ้นมาเมื่อไรนอนหลับพอตื่นพับนึกถึงภาพกสินภาพดินปรากฏชัด กำลังรับทานอาหารอยู่นึกถึงภาพดินภาพดินปรากฏชัดกำลังเดินอยู่ทำงานเหนื่อยๆนืยนึกถึงภาพนั้นปรากฏชัดติดใจขึ้นมาทันทีและภาพดินนี้เริ่มเปลี่ยนสีจากสีเดิมกลายเป็นสี น, นชัใจะเรเรมขาวเมราะนวเริ่มจะข า, ขาว แล้วก็ทรงกำลังทรงอยู่ได้นานอาการอย่างนี้เรียกว่าเริ่มเข้าเป็นอก aha นิมิตรถ้าเป็นสมเริงสมาธิเขาเรียกว่าอุปจารสมาธิเริ่มเข้ายังไม่เข้าแท้ <c oughs> ตอนนี้แหละกําลังของอาการของทางกายมันจะมีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้น ในระยะตอนต้ น, นบททรมานมันจะมาก่อนบางทีนั่งนั่ๆสบายๆมันปวดท้องที่ปวดแขนปวดขาปวดตัวเกือบจะทนไม่ไหวเพราะอะไรเพราก็หยับเลิกนิดมันหายปวดถ้าแบบนี้ต้องสู้กันยันตายเพราะอะไรเขาเรียกว่าขันธมามนขันธ์ามเข้ามารบ ก, กวนใจแล้วก็จงจําไม่อย่างหนึ่งว่าเราเพ่งภาพดินให้มันจับเฉพาะภาพดินเท่านั้น ถ้าภาพอื่นแปลกดเจ้าพ่อหน้าเขาเรียกกสินโทษท้ายทำลายไปเลยทิ้งไปมันไม่ต้องการถ้าขับมันไม่ไหวลืมตาสิทำใจใสบายทำใจไม่ห่วงอย่าเดินไปไหนทำไรอ่านหนังสือฟังวิทยุอะไรก็ตามเรื่องปล่อยใจให้สบายซักก่อน <c oughs> แล้วก็กลับมาหันจับภาพใหม่นี่เวลานี้มีวิทยุมีโทรทัศน์ ดีไม่ดีกันลองไปนั่งดูภาพโทรทัศน์ไอ้บทละครหรือว่าภาพยนตร์ที่เราชอบใจขณะที่มีกำลังใจชอบใจในภาพนั้นอยู่นั่นแหละจับใจจับภาพกับสิงข้ามาทันทีมันขึ้นได้หรือยังถ้ามันยังขึ้นไม่ได้ก็ยังไม่เรียกว่าอุปจารสมาธิก็ต้องถือว่าเป็นคณิกาสมาธิหรือว่ากาลังฟังวิทยุอยู่อย่างนั้น แล้วฟังคนเขาคุยกันหรือว่ากําลังนั่งคุยอยู่กับเพื่อนเพื่อนกําลังพูดอยู่เรามาจะพูดเอาจิตจับนึกถึงภาพกระสินมันขึ้นได้หรือยังขึ้นได้ทันทีไหมถ้าจิตยังยังไม่ขึ้นมาแสดงว่ายังไม่ถึงอุปจารสมาธิที่ได้นั้นจริงๆยังเป็นอยู่ในขั้นคณิกสมาธิอยู่นี่เราว่าจะเอาสมาบัดไปกันนะ สมาบัดแปรแทนได้ก็หมายถึงว่าได้บริสัมมิทายานด้วยเพื่อการฝึกขั้นบริสัมมิทายานคือเป็นรหัสนี่จะได้บริสัมมิทายานเนี่ยไม่ยากเท่าตอนตอน้น <c oughs> ตอนนี้หลยเป็นตอนยากนี่ต้องเอาความจริงกันแจงแบบนี้แต่ว่าท่านได้ท่านมีที่บานซีครอบทุนแล้วก็มันก็วงเล็บก็ไม่ได้ที่ว่าไม่เกินสามเดือนเป็นอย่างช้า แล้วก็ไม่มีใครเขาทําถึงสามเดือนเนี่ยถือว่าเป็นอย่างชาเพราะเราว่ากันบทเดียวอาการทางกายขอเตือนินิดที่คนชอบมาถามมันโยกมันโค้งมันสูบมันซาน้ําตาไหลอาการของปีติห้าเลนเหนือไปอย่างนั้นมันจะเป็นยังไงก็ช่างอย่าไปสนใจร่างกายมันจะพังเชิญพังตัดสินใจกันให้มันแน่นหนเอาก็จริงจังนี่มันบทหนักไม่ใช่บทเบา พราะเราจะอาดีกันเพราะจ้าดีขึ้นถึงขั้นบริสันมิทายานยังไปห่วงกายเมื่อกายมาันเป็นอย่างนั้นกายมันเป็นอย่างนี้ประเดีมาถามหลวงพ่อมันเป็นอย่างนั้นจะทํำยังไงมันเป็นยังไงที่สองสันมาถามใหม่นะ่ะถามแบบเดียวกันนะั่นแหละบอกกันไปเท่าไรพอบอกกันแบบไปแบบนี้ก็ถามแบบโน้นบอกแบบโน้นก็ถามแบบนั้นถ้ามัวถามอยู่อย่างนี้อีกอกี่โกรชาติมันก็ไม่ได้ไม่มีทาง ต้องไม่ถามใครและไม่สนใจกับกายมันจะตายมันก็เชิญถ้ามันตายไปถ้าเราอย่ตายอยู่ในระหว่างความดีดีกว่าตายอยู่ใน่งอยู่ในลักษณะของความประมาณเพราะเราสนใจในการสินแบบนี้ถ้าเรายังไม่ได้ฌานถ้าตายเวลานั้นเราก็เป็นเทวดาฉะนั้นคอนักปฏิบัติเพื่อกรรมานไอ้เรื่องอาการทางกายเนี่ยเลิกมาถามกันทีนะ มันจะเป็นมันจะตายไงว่าเชิญมาถึมันตายไปถ้าโมกลัวตายจะมานั่งเจริญกรรมฐานก็อยู่ทำไมความดีมันไม่ได้เด็กคนกลัวตายห่วงกายห่วงมันมากกว่าห่วงความดีมันใช่อะไรไม่ได้อย่างนี้ไม่เอาไม่ครบเพราะนี่เราสอนกันจริงจังไม่ใช่มานั่งรับจ้างทําการสอนสอนท่านนี้มาเดียนวังอะไรวังอย่างเดียว เธอสนองคุณองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นไอ้ข้าวจะกินไปแต่ละวันมันก็กินไม่ค่อยได้อยู่แล้ววันละไม่กี่ช้อนที่กินมากยู่เวลานี้ก็น้ําน้ําก็หาง่ายไม่ยากความร่ำรวยก็ไม่ต้องการความสวยสดงดงามแล้วก็ไม่ต้องการไม่มีอะไรที่ต้องการอีกแล้วเพราะมันแก่จะตาย น, นี่มาสอนอยู่นี่จริงไม่ต้องการจะเอาใจบุคคลที่ไม่เอาจริงแต่หากว่าบุคคลที่เอาจริงนะเชิญถามได้ทุกเวลาแต่ถามต่อนะัอ่ามาถามซ้ำที่บอกไปแล้วอย่างนี้ห้ามมาถามซ้ำกันนี่ต่อไปจิตเริ่มเข้าจับอุปจารสมาธิแท้ <c oughs> ภาพกสินจะมีสภาวะแจ่มใสขึ้นตอนนี้ไม่ต้องไปเดินดูดิงกันแล้วนะทิ้งดิงกันแล้วภาพกสินเริ่มแจม่มใสชัดเจนขึ้นแต่ก็มาชัดมากนักนึกขึ้นมาอะไรเห็นภาพได้ทันทีนี่เวลาจะนึกให้ภาพนี้ใหญ่ภาพก็ใหญ่นึกให้ภาพนั้นเล็กภาพก็เล็ก นึกให้ภาพมีสูงขึ้นไปเท่าไรมันก็สูงนึกให้ภาพลงมาต่ำก็ต่ำนึกให้ไปอยู่ข้างในข้างภาพกระสินก็ไปอยู่ข้างๆนึกก็ไปอยู่ข้างหลังภาพกระสินก็ไปอยู่ข้างหลังนึกให้มันเป็นเพดานกว้างใหญ่คลุมอยู่ข้างบนมันก็เป็นอย่างนั้นยานึกให้เป็นอย่างไรก็เป็น <Wayne> อย่างนั้นยานี้ชื่อว่าก้าวเข้าไปสู่ความเป็นอุปจาระสมาธิเบื้องตน้น นี่ท่านผู้ฟังคุณจะราคาญเต็มทีนะไม่เห็นว่ถึงเมืองปลายสักทีนี่ก็ไม่ได้หรอกไปถึงง่ายๆมันไม่ได้เติมบอกก็ให้ชัดเดี๋ยวจะมานั่งถามก็อย่าน่ะไม่เอาอย่าลืมนะสอนนี่ไม่ได้สอนให้ถามพูดแบบนี้ไม่ได้พูดให้ถามไม่กับมาย้อนถามทำไม่ได้ก็ไม่ก็ไม่ได้ก็แล้วไปเลย <c oughs> เดี๋ยมานั่งจู่จี้จู่จิกเคยมีคนชอบถามจู่จี้จู่จิกนี่ไม่ชอบบอก เพราะว่านิสัยไม่เอาจริงขาดอิทธิบาทสี่นี่ไม่เอาไม่คบมันเหนื่อยเพลืองเวลาชาวบ้านเพลืองเวลาการงานจะทําจิตใจใสบายบ้างจะอยู่เป็นสุขด้วยอำนด้กําลังเขาสมาธิสักเล็กน้อยก็มานั่งควนกันซะหนิไม่เอาถ้าถามตอบบอกทํามซ้ามไม่เอาไม่ชอบที่พูดมาแล้วนี่ห้ามก็มาถาม <c oughs> เพรานั้นว่าภาพมันดีขึ้นบังคับ แต่ว่าสีมันยังเป็นสีดินพอสียังเป็นสีดินอย่างนี้ชื่ว่าเป็นอุปจารสมาธิเบื้องตน้นจะเริ่มดีก็ได้จิตทรงตัวได้นานจะนั่งอยู่จะนอนอยู่จะเดินอยู่จะยืนอยู่จะดูโทรทัศน์จะฟังวิทยุจะดูภาพยนตร์จะคุยกับเพื่อนนึกขึ้นมาอะไราภาพกระสินปลายกฏทันที นี่ยังนี่เริ่มคิดจนเริ่มมาเริ่มเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาแล้วนะยังไม่ดีแย่เพิ่งแย่เพิ่งยิ้มคิดว่าถึงตอนนี้แมมเราดีแล้วนะนี่ยังไม่ดีถ้าจะดีต่อไปอีกนิดหนึ่งจิตใจเริ่มเป็นสมาธิดีขึ้นภาพดินเริ่มกลายเป็นสีขาวน้อยๆคำว่าขาวน้อยๆนี่นแหละว่าขาวทั้งวงก็ ขาทั้งทั้งทั้งทั้งทั้งดวงนะไม่ใช่ขาเป็นจุดเริ่มขาเป็นสีนวลในน้อยขึ้นมาเรื่อยๆตอนนี้กำลังใจจะมีความเอิบอิ่มมีความชุ่มชื่นเกี่ยวกับปีติมันจะโยกจะโคลงจะเต้นจะตึงจะตั้งจะลอยก็ช่างมันบอกเรื่องทางกายห้ามมาถามได้ขาด มันจะเป็นยังไงให้มันเป็นไปปล่อยมันรักษากําลังใจให้ส่งตัวกันแล้วกันในเมื่อภาพมันเริ่มขาวในน้อยขึ้นมาสีสีนวลนวลจิตใจชุ่มชืน่นอันนี้เริ่มก้าวขบศูนย์วิจารณสมาธิขั้นหนึ่งอย่างในวันนี้ก็ยังไม่จบอุาาิจารณสมาธิมันจบง่ายๆไม่ได้นี่ต่อมากําลังใจมันก็ดีขึ้น กำลังใจดีขึ้นแบบนั้นภาพกระสิงขาวขึ้นไปขาวขึ้นไปขาวมันก็ต้องต้องขาวหมดดวงขาวทึบใหญ่หมดดวงแล้วก็ขาวมีความแจ่มใสามากขึ้นก็สามารถจะบังคับตามที่กล่ามาแล้วได้ว่าบาังคับให้เป็นมันมีสภาพยังไงก็ได้อยู่หน้าอยู่หลังใหญ่ๆจะเล็กล้วก็ได้ตามชอบใจ นอนหลับตื่นขึ้นมาใหม่หมนึกถึงภาพกระสินปลากดทันทีทํางานกําลังเหนื่อยยากนึกถึงภาพกระสินปลากดทันทีจะทํายังไงก็ตามแม้จะปวดอุจาระปัสสาวะเต็มที่นึกถึงภาพกระสินมันปลากดชัดนี่เป็นอันว่าเริ่มเข้าขัา้นขั้นอุปจารสมาธิเข้าไปหน่อยหนึ่งยังไม่จบอุปจารสมาธิในวันนี้ เป็นนั้นว่ามองในเวลามันก็หมดทิแล้วในบรรดาท่านทั้งหลายพูดมากเวลาถ่ายทอดแค่เสร็จมันไม่ต่อกันก็ยากคว่าลำคันสําหรับในวันนี้ก็ข อ, อยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดีมีความความสมหวังจะมีกับท่านผู้ตั้งใจจริงทุกท่านสวัสดี